5. การปฏิบัติสำหรับผู้ยังภาวนาไม่เป็นถ้ายังภาวนาไม่เป็นบริกรรมไว้ก็ได้นะท่องพุทโธหรือสวดมนต์ก็ได้สั้นๆไม่ต้องยาวอาจจะแค่อระหังสัมมานิดๆหน่อยๆเวลาเราสวดมนต์ก็คอยรู้ทันใจของเราพอเราสวดมนต์อระหังสัมมาใจไหลไปนอกบ้านแอบไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วเมื่อสวดต่อไปสมพุทโธภัควาจิตหนีไปคิดอีกแล้ว ก็รู้อีกว่าจิตหนีไปคิดการที่เรารู้ทันจิตเรื่อยๆต่อไปเวลาจิตหนีสติจะเกิดขึ้นพอจิตไหลแวบสติก็เกิดแล้วเพราะเราเคยรู้ทันสภาวะที่จิตแอบไปคิดหรือดูท้องพองยุบก็ได้จิตแอบไปคิดแวบเราก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้หรือใช้วิธีดูเวทนาก็ได้เราเอาเวทนาเป็นเครื่องอยู่เรารู้เวทนาลงไป จะเห็นเลยว่าเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้เวทนาอยู่อีกส่วนหนึ่งเวทนาเองก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจของเราเวลาไปรู้เวทนาเมื่อเวทนาแรงจิตใจเราก็กระสับกระสายขึ้นมาเราก็เห็นว่าจิตกระสับกระสายหรือดูเวทนาสักพักจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นก็รู้มันอีกว่าจิตนีไปคิดแล้ว ดังนั้นถ้าเราเอาเวทนาเป็นวิหารธรรมเราจะรู้หมดเลยรู้ทั้งกายรู้ทั้งเวทนารู้ทั้งจิตไม่ว่าเราทำกรรมฐานอะไรถ้าทำถูกต้องเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามไม่ใช่รู้อันเดียว